keep your l i g h t h e n ก็เลยไม่ชัวร์ไม่ยอมเลยปากฝากรากออกไป ก็เลยไม่ชัวไม่ยอมเลยปากปากรักออกไปเธอเอ๋ยเห็นใจคนขี้อายฉันคงแก่ตายทำไม่ได้เธอมาเป็นแฟนไอฉันมันคน คุยกันนะครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่เราจะต้องติดตามอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกฎหมายลูกนะครับของรัฐธรรมนู น, นเพราะว่าจะนำไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องดูกฎจดหมายลูกซึ่งมีการถกเถียงกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ในส่วนของสอนชเนี่ยครับกรรมธิการของสอนชเนี่ยจะทำให้เป็น primary นะ primary vote คือพักการเมืองเนี่ยจะส่งจะส่งผู้สมัครลงเนี่ยจะต้องให้ประชาชนหรือสมาชิกพักในจังหวัดท่านมีการโหวตเสียงใครได้คะแนนเสียงมากก็จะส่งคนนั้นนะมีมีขั้นตอนคือสอขั้นตอนแล้ะครับผ mm ิด hmm. กับสมัยก่อนที่พักการเมืองพิจารณาใครก็จะส่งส่งสมัครเลยนะครับซึ่งตรงนี้นี่มีการหาลือกันนะระหว่างในส่วนของคณ ะ, ะกรรมการร่างน้านูน นะครับกับในส่วนตัวแทนกกตจากการเปิดเผยของนายรณนิศนรชิตสิงหเสณีโคศกของคณะกรรมการร่าง น, นูนก็บอกว่าได้เชิญตัวแทนกกตคือนายเสวงบุญมีรองเลขาธิการกกตมาหาลือกับอนุกรรมการติดตามและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม น, นูญนะถึงเนื้อหาร่างพรบรประกอบรัฐนูนว่าด้วยพักการเมืองนะครับที่ สนชให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งตัวแทนกกตก็บอกว่าร่างพรบว่าด้วยพรรคการเมืองที่สนชแก้ไขก็ไม่ได้สร้างปัญหาในการปฏิบัติแก่กกตนะครับแต่ว่าเพราะว่ามีการเพิ่มเกี่ยวกับเรื่อง p ไพรมารีบวชแต่ว่ากกตก็สามารถทําตามกฎหมายให้มีการเลือกตั้งได้นะครับนะก็นั้นเป็นคำยืนยันจากกกตนะครับนะว่าะจะต้องอสามารถที่จะทําได้นะทำตามทำตามกําหนดส่วน คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ทวงติงนะครับคือในส่วนของพรรคการเมืองส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับระบบไพรมารีบวตนะเพราะว่านายอภิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ใช่ต้องการไม่ต้องการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับนะ ใ, นในทางกฎหมายนะครับเพราะว่าอย่างเช่นการกําหนดให้มีสาขาพัฒนประจําเขตเลือกตั้ง แล้วก็ถ้าหากจังหวัดใดไม่มีก็อนุโลมให้มีตัวแทนพักประจําจังหวัดปัญหาก็คือถ้าจังหวัดนั้นมีหลายเขตก็จะต้องมีตัวแทนพักหลายคนหรือไม่นะครับหรือว่าการลงคะแนนเสียงจะทําอย่างไรซึ่งจะมีความซับซ้อนแล้วกับพรรคการเมืองก็ทําตัวไม่ถูกก็เป็นเสียงท้วงติงนะครับจากจากหัวหน้าพักประชาธิปัตยนะ์ซึ่งซึ่งก็ต้องดูนะฟังฟังกันหลายๆเสียงนะฮะถ้าจะมีระบบไพรมารีโวท นะซึ่งนายมีชัยรชุภพันน mm. ี่ก็คัดค้านะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้การทำงานนะการผลักดันให้เป็นไปตามรัฐมิตรราชาก็ก็ต้องดูนะครับในหลายๆเสียงนี่ว่าอย่างไรนะส่วนเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการองค์การอิสระ อ, องค์การหนึ่งก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับนะซึ่งในส่วนของตัวแทนภาคประชาสังคมนะซึ่งนาโดย นายจตุรงค์บุญยะรัตนสุนทรซึ่งเป็นประธานสมาคมสิทธิทเสรีภาพของประชาชนก็บอกว่าองค์กรภาคประชาสังคม86องค์กรนะครับก็ลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงประธานสอนอชอประธานสภ า, านิติบัญญัตแห่งชาติประธานกรทด้วยนะครับบอกว่าที่มีการ เจอรังพิจารณาร่างพรบประกอบและรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสมก็ในส่วนของภาคประชาสังคม เ, เห็นด้วยกับคณะกรรมการร่างนูญว่าควรจะเซตซีโร่กสมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดปัจจุบันเพราะว่ า, ามันยังยังมีองค์ประกอบที่ลักลั่นกันอยู่ น, นะควรจะเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่เพื่อจะได้ทํางานอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพนะก็เป็นความเห็นของในส่วนของภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของอกฎหมายลูกนะซึ่ ง, ซ, งซึ่งมีทั้งกรกตมีทั้งกรสอมอมาลับฟังเพลงครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อครับน้ำไหลมาใหญ่ ใจไหลไปความทุกข์ยิ่งใหญ่ไม่อยู่ยืนยาวอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนพร้าวตะวันสกาวความทุกข์จะคลายปัญหาคือยาวิเศษรู้จักสังเกต ปัญหาจะหายไทยสามคัคคีความดีประกายพอ น, น้ำมาลายความสุขจะคืน Online. s h e a มาคุยกันต่อนะครับนายกองนีนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเยือนขอนแก่นนะครับวันที่22มิถุนายนนะครับมี21มิถุนายนนะครับซึ่งก็มีการมาเยือนขอนแก่นนะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนไทยแลนด์สีดในภาคตะนอกเชียงเหนือนะครับที่ศูนย์ประชุมการชนะพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น นะครับแล้วก็มีการพูดว่ารัฐบาลจะเอาโครงการต่างๆเนี่ยลงมานะพัฒนาภาคอีสานกันอย่างไรนะครับรายละเอียดโครงการสารพัดโครงการที่ลงมาในการที่จะแก้ไขปัญหาในในอีสานะมีการพูดถึงย้ำว่าเกี่ยวกับเรื่องร่างพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองเนี่ยก็จะไม่ได้ยกเลิกนะแต่จะทำให้ดีขึ้นนะยจงตรีตอบอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่าง คุยเกี่ยวกับนอกจากนี้ในนายงตรีนไปเยี่ยมนิทรรศการของนักศึกษาที่ชื่อว่าวิจัยและนวัตกรรมมคอเพื่อ Thailand 4.0 ด้านกา ร, กรเกษตรด้านอาหารด้านพลังงานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง Smart City นะครับคือขอนแก่นกลังจะพัฒนาไปเป็น Smart City ก็คือเป็นเมืองเป็นเมืองไอทีนะครับเป็นเมืองที่จะเจริญมีการจะสร้าง รถไฟฟ้าลางเบาอะไรต่างๆกันกันมากมายนะครับที่ขอนแก่นและนอกจากนี้นังตีไ ป, ไปไปเยี่ยมโรงงานนะสาก์โคนมขอนแก่นนะก็มีหลายๆเรื่องนะครับมาพบปะมวลชนนะครับนก็เป็นกิจกรรมของนายกตีทางทางทางอีสานนะครับในส่วนของสื่อมวลชนนี่นะครับมีการเข้าไปพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลคือรองนายกตีวิศนุเรืองามเกี่ยวกับ มีการร่างกฎหมายที่จ ะ, ะคุ้มครองอส่งสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนซึ่งสื่อนี้ก็กังวลนะครับตัวแทนทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีว่าะจะมีการควบคุมสื่อหรือไม่นะครับเกี่ยวกับจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือไม่เนี่ยก็ให้ตัวแทนเข้าไปพูดคุยใช้เวลาหารือกันอสองชั่วโมงนะครับนะซึ่ง ตรงนี้ในชะวรงลิมปัธรมปาณีประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็กล่าวบอกว่าตัวแทนของสื่อพบรองนายยงตรีก็เห็นตรงกันก็คือจะต้องมีการปฏิรูปสื่อซึ่งตรงนี้ก็จะอยากจะให้สื่อเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับในส่วนของนายประราเมศเหล็กเพชรนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็กล่าวบอกว่า องค์กรสื่อก็ยืนยันนะครับว่ากฎหมายที่จะออกมาเนี่ยต้องส่งเสริมการควบคุมกันเองของของสื่อมวลชนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยควรจะต้องควบคุมกันเองเนี่ยก็คงไม่ต้องให้ในส่วนของข้าราชการนะครับหรือองค์กรอื่นๆมาควบคุมสื่อคืคือคือเน้นว่าจะต้องมีเสรีภาพนะครับของของสื่อนะครับนะก็เป็น เป็นข้อเรียกร้องจากจากองคอ์กรภาคสื่อเองนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูก็มีมีกฎหมายอีกหลายหลายฉบับนะครับที่จะทยอยออกมานะครับนะซึ่งก็ต้องติดตามนะฮะกันกันมากเพราะอยู่ในช่วงของการที่จะมีปฏิรูปในในหลายหลายส่วนนะครับแนตะ่ซึ่ ง, ซ, งซึ่งตรงนี้นี่คงต้องต้องต้องติดตามในขณะที่ในส่วนของอรัฐบาลนี่ก็พยายามที่จะอธิบายชี้แจงนะไม่ว่าจะเป็นกรณี รถไฟไทยจีนนะที่ใช้มอ .14 จะอนุมัติจะจะมีการสร้างกันแล้วนะครับในส่วนของเส้นทางกรุงเทพบางช่องนครราชสีมานะครับนะซึ่งเป็นเส้นทางแรกก็ต้องมาดูรายละเอียดกันนะครับ ว, ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของอโครงการที่จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทางภาคตะวันออกนะซึ่งก็จะบอกว่าจะไป เน้นเป็นเขตอุตสาหกรรมที่เน้นทั้งด้านไอทีเป็นหลักนะครับนะั่นคือดึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของจากญี่ปุ่นจากเกาหลีมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเรื่องของไอทีนะครับเพื่อที่จ ะ, ะพยายามที่จะยกระดับนะครับอุตสาหกรรมของเราให้เป็นในยุค 4.0 คือเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทักษะนะใช้ฝีมือมากขึ้นนะแต่ยัง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 ท่านฟรัรไปก่อนและพบกันโ อ, อกาสหน้าครับสวัสดีครับ คนที่กำลังจ้องตาขอฝากดวงชีวากับเธอที่รักยิ้มมาสักหน่อยเพียงน้อยโลกพลันสดใส I'm n o keeping it inside. จะไม่รักเธออยู่ที่ใจของเธอคิดไปไม่มีเหตุผลใดที่ฉันจะไม่รักเธอเพระอยู่กับเธอฉันนั้นมีความสุขเพระอยู่กับเธอแล้วฉัน